เมฆเหี้ยตัวหนึ่งก็ไปในจอมปวกจอมปวกไม่รูหกรูทําไมจะจับจอมปวกทําไมจงจับเหี้ยได้เหี้ยคือความร้ายความไม่ดีเขาไม่เรียวกว่ า, าเหี้ยแต่เขาเรี้ยกว่าตัวเงินตัวทองเพราเหี้ยมันเลวร้วาย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 ก็เลยออกไปทางนั่นอยู่เรื่อยมันไม่ออกทางตาทางหูจมูกเิ้งกายใจเท่าไรนักเอออกทางหูจมูกเิ้งกายเท่าใดมันออกทางใจเป็นส่วนใหญ่ปฏิบัติธรรมที่จะได้บรรลุธรรมมันก็เห็นเรื่องความคิดนีเน่เป็นเป็นประตูที่สําคัญ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 ใครก็เห็นความคิดไม่มีใครไม่เห็นมีการทุกข์่อนความคิดการหลงเกิดจากความคิดการสุขความทุกข์เกิดจากความคิดที่เดดตัณาเกิดจากความคิดความคิดที่มันคิดว่าะมันหลงถ้าไม่หลงก็ไม่คิดสมรู้สึกตัวเป็นการควบคุมเหนือควบความหลง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 ได้ยินว่าเธอพูดอย่างนั้นได้ยินว่าเธอพู ด, ดอย่างนีน้ได้เห็นเธอทำเห่างนั้นได้เห็นเธอทำอย่างนี้โจดได้ได้คำว่าได้ยินได้เห็นเธอคิดอย่างนั้นได้เห็นเธอคิดอย่างนี้ไม่มีใครพูดปรับไม่ได้เธอทางปฏิบัติก็ปรับกันโทกเลบปรับกันปรับตัวเองเจ็ดลาบ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 ก็มีภาษาก็มีเวทนาเมื่อมีเมเมื่อมีเวทนาก็มีตัณหาอุทานน่าตัวว่าตนถือเป็นพวกเป็นชาติก็มีการเกิดเจตีต่างในพวกในชาติเมื่อมีพวกชาติอยู่ในรูปนามารูปอย่างนี้ก็เกิดเป็นรูปน้ําขึ้นมาเป็นกายเป็นใจขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเป็นตัวกูของกูเป็นฉขเป็นทุกข์ขึ้นมา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 บางที่เรียกว่าสุขสุขสุขสุ ข, สขนั่นนะเป็นภาษาคนคไ ม, ม่ภาษาอะไรที่พูดแบบภาษาคนจะเรียกว่าสุขจริงไม่ต้องเรียกว่าสุ ข, สขโอทุกหมดไปทุกเส่นขนเหมือนห้องตาพูดว่านักษณะขี้กากให้หายไปแล้วไม่ต้องเกา ภาษาโลกถ้าเขาเกาเรวสุลโดนทางตาเกาทางหูเกาทางจมูกเกาทางลิ้นเกาทางกายเกาทางใจเท่าไหร่ก็ไม่พอกินหว๋อมๆพร้อมจบพอกถงไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักอิ่ม ไม่จกเบื่อเกาทางตาเราทางหูเกาทางจมูกเกาทางลิ้นเกาทางกายกระทางใจนมมันมีขี้กากก็ต้องใช้ปจกใจซอกซอกซอกหามามอาหารถ้าเป็นอาหารก็อาหารหกทาง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 ดินไปพอสมควรเราอยดึงค่อยดึงขึ้นมาหลายข้างหลายหนเราก็รู้จกรสชาติของการดึงแล้วก็หานไปในตัวมันไปที่ไลก็ย้อนไว้แล้วก็ดึงกลับมาพอมันดึงกันเวลามันไปดึงอย่างแรงเนี่ยอาจจะเกิดอะไรขึ้นมาข้างเคียดได้ง่าย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 ความผิดใจก็ดิ้นแรงกว่าจะโถเขี้ยนประโยชน์ตรงนั้นเราก็ประโยชน์ตรงลามันผิดเอาผิดเป็นผิดมันก็ประโยชน์ยากเป็นยากไปแล้วเป็นไใบชอบไปแล้วถ้าถูกเปนถูกก็เป็นความชอบไปแล้วเป็นไปอีกด้านหนึ่งเดินบวกเป็นลบ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 เสียดเวลาไม่สงบก็เสียดายความสงบวันหลังไม่สงบชั่วโมงหน้าไม่สงบเสียดายเกิดทุ่งซ่านบางทีทําไปมาสงบเกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาก็หาว่าเราไม่ค่อยมีผลเป็นทุกข์ให้ความผิดเป็นทุกข์ให้ความถูกเป็นสุข ไม่ใช่ปฏิปรธรรมโดยเฉพาะสติปัฏฐานเนี่ยท้าเจ้าก็สีบเช่นไว้อย่างรอบคอบแล้วต่อใจมีความสุขควาทุกข์แสดว่าสุขสกับทุกข์ไม่ใช่ตัวใช่ตนเราบอกแล้วเรายังดื้อเอาสุขปันสุขอาทุกข์กนทุกข์อยู่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 อ่าดีก็เอาถ้าไม่ดีก็ไม่เอาอ น, นั่นศรัทธาแบบนั้นศรัทธาหัวโตปุดเข้าปุดออกบางข้างก็นาหวดน่าเบือ้อบางข้างก็เยี่ยมแจม่มใสถามดูทำไมจังเป็นยังไงหมูนี้มาค่อยดีอารมณมาค่อยดีไม่ใช่แบบนั้น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 เนือเกิดเหนือเจ็เหนือเจ็บเหนือตาย ล, ล้วเราเดินเข้าเรกไปโ น, โนู่นอย่างหลงตาผู้ประวันว่ามองขดทำจำดันตรงกระโดดแต่ <c oughs> กากระโดดไม่เป็นตีด้มีสันทาแกวก้ากระโดด